พวกเราชอบเอาพระมาถวายพระนะที่มาตั้งตั้งไว้หลวงพ่อก็แจกไปเรื่อยนะไม่ได้เก็บไว้หมดหรอกพระเอามาเก็บไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาไปกราบไปไหว้ได้บุญคนสร้างก็ได้บุญด้วยในใสายตาหลวงพ่อแลพระพุทธรูปทำมาจากอะไรก็ได้อยู่ที่การสำคัญหมาย แต่ถ้าเราทําแล้วเราเป็นสั ญ, ญลักษณ์เราคิดถึงพระพุทธเจ้าใช้ได้หมดเลยสมเด็จโตท่านอยู่วัดละคังวัดละคังอยู่ติดกับบ้านช่างหลอ่อนึกออกไหมสมัยก่อนเขก็ปั้นพระอยู่ริมทางเดินนนี่แหละท่านเห็นแค่เอาดินเหนียวนั่นก็ไปวางโปะๆไว้จะเริ่มปั้นพระพอเดินผ่านท่านลงนั่งไหวเลย ลูกศิษฐ์ถามไหว้ทำไมครับยังไม่ใช่พระนะท่านบอกว่าเป็นพระตั้งแต่คิดจะทำแล้วในพระสมเด็จท่านเลยขลังนะเพราะท่านไม่โง่เวลาบางคนอยากไปไหว้พระเขี่ยวแก้วที่หลังการาชการที่ห้าท่านเคยไปดูไม่เขียนไว้ทำขึ้นมาทำขึ้นมา ของจริงถูกฝรั่งมันบททิ้งไปหมดแล้วแต่ไปไหว้ได้บุญไหมได้บุญถ้าใจคิดว่าเป็นพระเคี่ยวแก้วก็ได้บุญนะเอาอะไรมาทำก็ได้เรามันอยู่ที่ใจของเราอะถ้าใจเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพิถึงพระทรงนะมันเป็นบุญไปหมดอ ะ, ะแต่ถ้าเราสงสัยไปเรื่อยนะสงสัยไปเรื่อ ย, อยมันก็ไม่เป็นบุญ อังกฤษเคยขุดพระพะรมสารีริกธาตุได้จากกระบิลพัทอยู่ในพระอบหินเขียนไว้เลยว่าพระสมณาโคดมอังกฤษก็ถวายรัชกาลที่ห้ามาลงเรือมาขึ้นที่ปากน้ำขึ้นบกพักๆอยู่ที่ปากน้ำพักที่จวนข้าหลวงบ้านผู้ว่ากรมดำรงออกไปรับแล้วไปเปิดดูนะ เป็นกระดูกธรรมดาไม่ใช่เป็นเม็ดแก้วใสๆอย่างที่พวกเราเห็นพระทาตทุกวันนี้หรอกนะท่านบอกเหมือนกระดูกคนธรรมดานะใจของกรมดำรงก็แข่งเลยจริงหรือเปล่าฝรั่งมันหลอกเอากระดูกแขกที่ไหนมาให้บา <c oughs> <c oughs> ใจท่านหลังเลยนะแต่ก็มีมโหรสพบสมโพธตามธรรมเนียมคนไทยนะ มีงานบุญอะไรก็ต้องมีมาขอรสบสมโภชก็มีเหมือนกันคืนนั้นก็จัดคนก็มาไหว้พระาธาตุกันเยอะเลยพอท่านสงสัยได้ที่นะพระาธาตุก็เปล่งรัศมีออกมาสว่างออกมาจากที่บรรจุอยู่สว่างเป็นดวงจ้าออกมาเลยท่านก็เลยเลิกสงสัยบรรดาพระาธาตุทั้งหลายในเมืองไทยนะที่มีหลักฐาน ทางโบราณคดีแน่นอนคือพระธาตุที่ได้มาคราวนั้นนหะตอนนี้อยู่ที่ภูเขาทองใครเคยขึ้นไปไหว้ภูเขาทองมัางใครไม่เคยขึ้นเลยใครไม่เคยเห็นเลย <c oughs> มีนี้ไม่เคยเห็นเลยเหรอเนี่ยบางทีเที่ยวตะกายไปไหว้พระธาตุที่นั่นที่นี่นะของแท้ของจริงอยู่ที่นี่แหละ ไล่จากที่5ท่านแบ่งให้ญี่ปุ่นไปนะท่านแบ่งให้ญี่ปุ่นไปหน่อยท่านถ้าจะไหว้ก็ไม่ต้องไปไหว้ไกละนะอยู่ที่ภูเขาทองนี่เขาสร้างเป็นเจดีย์เล็กๆไว้ข้างในนะเจดีย์ที่เรามองเห็นจากถนนนั้นเป็นที่ครอบข้างบนเท่านั้นเองเหมือนหลังคาเท่านั้นเองเจดีย์ที่บรรจุอยู่ข้างในไม่ใหญ่เท่าไหร่เข้าไปเนี่ยเราอยู่ห่างกับพระธาตุไม่ไม่เกินฟุตดึง เล็กนิดเดียวมันอยู่ที่ใจมีที่ใจนะถ้าใจคิดว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงสั ญ, ญลักษณ์ของคุณงามความดีกลับไหว้เป็นบุญได้บุญแล้วคุยเรื่องพระธาตุเพลนไปหน่อยรอให้หายง่วงนะให้อาหารมันย่อยซะหน่อย ถ้าคุยธรรมาล้วนๆจิตมันรวม <c oughs> มันรวมเข้ากับโมหะไม่เหลือเลย <c oughs> ถ้ามีนิยนิยายอะไรมาเล่าค่อยตาโตๆหนยวันนี้ใครมาจากที่ไกลๆบ้างมีไหมมาจากไหนล่ะเชียงรายเชียงรายไกลไหมนี่มาจากไหน มุกดาหารเออไกลเหมือนกันเชียงรายก็ไกลมุกดาหารก็ไกลเอาไว้ก่อนนะคนอยู่วัดก่อนก็ที่ภาวนาค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นภาวนามาสองสมวันแล้วก็เห็นกิเลสมันอยู่พื้นๆนะคะมันเหมือนกับว่าจริงๆมันมีแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นมาเป็นตัวมันไม่ครอบจิตค่ะกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตนะภาวนาให้ได้อย่างนั้นดีแล้ว เคยมีคนไปถามหลวงปู่โดนมีโกรธไหม่ามีแต่ไม่เอาฟังเราแปลกนะฟังเราแปลกเราวัดภาพว่าไม่มีสิ่งเท่าไหร่จะมีสิ่งเท่าไหร่ไม่มีอยู่ที่เหตนะุแต่ถามว่ามันเป็นกิเลสไหมไมันไม่เป็นกิเลสนะไม่เป็นกิเลสนะจริงๆท่านล้างอนุสัยไปแล้วแต่มันปรุงอาการตามความเคยชินแค่อาการแสดงอาการ เหมืครูบาอาจารย์บางองค์นะหน้าตาเหมือนโมโหทั้งวันเลยแต่ใจดีถ้าทางเป็งนงั้นเนี่ยพอโยมไปนะหัวเลาะเลยนี่เราต้องดูดูไว้มันจะได้ไม่ยุ่งกับเราเราจะได้มีความสุขอะขอกันบ้านไปทําต่อค่ะกันบ้านไปทําเอาเองสิดูกายดูใจไปนะรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าให้แน่นแฟ้นนะ ประเภทตายก็ไม่โกงใครอดตายก็ไม่โกงใครโกรธยังไงก็ไม่ตีใครด่าในใจไม่เป็นไรยังไม่ผิดศีลห้าเนาะด่าในใจแต่ด่าออกมาทางปากนี่ผิดศีลห้าแล้วใจห้ามไม่ได้ให้มีสติรู้ทันเอาแต่ทางกายทางวาจาต้องห้ามไว้ก่อนเพรานั้นเบื้องต้นรักษาศีลต่อไปฝึกจิต มีศีละสิกขาจิตศิกขาฝึกจิตทุกวันทำในรูปแบบใครรู้ทันนะจิตฟุ้งซ่านก็น้อมจิตเข้าหาอารมณ์ที่มีความสุขจิตเข้าสงบพอจิตสงบแล้วค่อยๆแยกขันไปค่อยๆดูไปทุกวันทุกวันฝึกอยงนี้อยู่ในชีวิตประจำวันจะได้ไม่หลงนานอไทัยเริ่มมีกำลังมากขึ้นบ้างครับได้เวลากลับบ้านแล้วสามวันเนี่ย เห็นไหมวันที่3เนี่ยมันจะได้แรงเวลามาอยู่วัดนะมาวันแรกพวกที่อยู่วัด5วันหลวงพ่อจะอบรมก่อนเลยวันแรกอย่าใจร้อนนะอย่านึกว่าจะดีไม่ดีหรอกเราคล้ายๆเราขมุขขมอมมาจากข้างนอกนะอยู่ๆมาถึงวัดแม่ไสปิ้งเลยมันจะวิเศษเกินไม่ไม่มีทางหรอกมาถึงวัดใหม่ๆไม่มีทางดีงก็ฟุ้งไปวัน2วันแล้วแต่กําลังของกิเลสที่สะสมมา พอวันที่สามนะค่อยสงบค่อยเข้าที่หรอกวันที่สี่ที่ห้าค่อยดีนะวันที่หกเริ่มผ่อนคลายวันที่เจ็ดฟุ้งซ่านเหมือนเดิมออกจากวัดไปเป็นทุกคนอ่ะวันนี้วันที่สามสบายดูสิมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่เที่ยงภาวนาไม่ใช่เอาดีไม่ใช่เอาสุขเอาสงบอย่างเรามาอยู่วัดวันนี้สงบวันนี้ฟุ้งซ่านไม่ได้มุ่งเอาสงบ แต่ว่าสงบดีได้ยดนะีถ้าจิตมันฟุ้งซ่านดูสภาวะไม่ออกเราก็มาพุทโธไปหายใจไปพอสงบพอสมควรเป็นทางผ่านเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายจิตสงบมากก็มาฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตไหลไปคิดรู้จิตไหลไปคิดรู้ฝึกบ่อยๆนะรลเป็นตัวรู้ให้มาเป็นผู้รู้เลามาแยากขันดูค่อยฝึกไปกลับบ้าน้วไปนั่งทุกวันทำทุกวันนะ แล้วก็แยกขันไปได้ดูขันทางานไปได้พวกเราคนไหนยังไม่รู้จักคาว่าขันบ้างขันที่หลวงพ่อพูดยกเมเอื้อซีมีไหมไม่มีนะโมทนานะเป็นบุญของพวกเรามีบุญมากกว่าอนาถพินทิกะนาถพินิกะได้ยินคาว่าขันนะตอนป่วยหนักใกล้จะตายแล้วแกเสียดายมากเยว่าแกไม่ได้ยินมาก่อนพระพุทธเจ้าประเททูวัน นาทวินิกาไม่เคยได้ยินเลยแปลกไหมวัวแต่ไปถึงวัดก็เที่ยวสอดสองตรงไหนพังจะได้มาซ่อมตรงไหนขาดอะไระค่อยดูแลวันๆนะคอยหมกมุ่นอย่างเงี้ยรักพระพุทธเจ้ามากเลยแล้วก็ไม่กล้าถามธรรมะท่านกลัวท่านเหนื่อยอพวกเราเชิญอาว่าไปดิฉันขาดค่ะที่กลัวด้วยกลัวก็เลย กลัวหลวงพ่อกลัวความผิดทุกอย่างค่ะก็เลยไม่ได้เดินสายกลางก็อยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนําให้เดินสายกลางที่ไม่มีการบ้านส่งเมืวานก็ตรงเนี้ยค่ะใจใจเขาควรปกติไม่เดินสายกลางละจะสุดโตตลอดเวลาคือคือไม่ไม่เคยเห็นผีไม่เคยเห็นเทวดาทั้งหลายเลยค่ะตลอดชีวิตดีแล้วล่ะ ยึถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวค่ะเออดีก็ดีแล้วล่ะ ว, วิธีที่จะให้ใจเข้าสู่ทางสายกลางนะเราต้องรู้ก่อนว่าความสุดโต่งในการปฏิบัตินะมีสองอย่างอย่างที่1การที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสไปนะตามใจกิเลส ท, ทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ทางสายกลางอย่างที่สองที่ไม่ใช่ทางสายกลางคือบังคับกายบังคับใจ ควบคุมอย่างเดียวเลยเข้มงวดกับมันบังนะคับทำจนมันเครียดร่างกายก็เนหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจิตใจก็เครียดนั่นไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางก็คือรักษาศีลไวนะ้ฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายมันทำงานดูใจทำงานดูไปสบายๆนะนี่ทางสายกลางก็อยู่กันตรงนี้เพราะงั้นต่อไปนี้นะถือศีลไว้ก่อนถือศีลแล้วก็คอยรู้ทันจิตตนเองไป จิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วคอยรู้ทันได้ไม่ไปฝึกจิตจนกทั่งจิตนเนี่ยมันเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไม่ถูกกิเลสอะไรมาครอบงำนะพอจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานดูสบายๆด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปนะไม่ได้ไปบังคับกายบังคับใจไม่ได้ลืมกายลืมใจนะแค่รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะนั่นถือเป็นทางสายกลาง ทางสายกลางไม่ใช่แค่รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะเริ่มตั้งแต่มีศีลเริ่มตั้งแต่การฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้อยู่กับเนื้อกระตัวแล้วก็เริ่มมาเดินปัญญาดูขันมันทำงานถ้าเดินได้อย่างนี้ก็เรียกทางสายกลางทำผิดศีลตลอดไม่ใช่ทางสายกลางเคร่งเครียดกับการถือศีลไม่ใช่ทางสายกลางบางคนเครียดนะถือศีล นั้นอัตตากิลมัฐานโยกเครียดงั้นทางสายกลางนะยากตั้งแต่ถือศีลแล้ว <c oughs> มีสติมีสติแล้วจะกลางในอินสีห้าในภะละห้ารู้จักไหมศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิรยิยะสมาธิปัญญาเนี่ยไม่สมดุลกันได้สติเนี่ยไม่มีคู่แข่ง มีสติมากๆยิ่งดีถ้ามีสติมากๆากทัธาวิริยะสติสมาธิปัญญายิ่งแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆล้วฝึกไปด้วยทางสายกลางอาศัยสตินี่แหละดีที่สุดเลยไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่วิริยะไม่ใช่ศรัทธาอาศัยสติคอยรู้ทันจิตใจตนเองไปสิลที่ไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมา พวกเราคนไหนถือศีลสะดวกขึ้นคนไหนถือศีลง่ายขึ้นรู้สึกไหมมันง่ายเวลาจะทำผิดมันอายนะอายแก่ใจเจอของใครเขาเจ้าของทิ้งไว้ก็ไม่เอาของเขาไม่อยากได้แต่บางทีเก็บไว้นะเที่ยวไปหาเจ้าของหลวงพ่อตอนอยู่องค์การโทรศัพท์มีวันหนึ่งเข้าห้องน้ำเจอแหวนเพชรวงหนึ่งนะผู้ชายอะแหวนผู้ชายนะไม่ใช่ห้องน้าผู้หญิงนะ เดี๋ยวประวัติหลวงพ่ประมดไม่ดีเลยเข้าห้องน้ําผู้หญิงเจอแหวนเพชรแล้วลือไปอย่างนั้นอีกเจอแหวนเพชรเบลเลอร์เลยรวงนั้นใหญ่มันมีเพชรเม็ดโตๆอยู่ตรงกลางนะแล้วเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมีเพชรเล็กๆล้ลลอมแล้วก็นึกในใจเราจะหยิบไหมไม่ใช่คิดจะหยิบเอามานะหยิบไปเดี๋ยวเจ้าของมันว่าเราขโมยเราก็แย่นะแต่ไม่หยิบทิ้งไว้เนี่ยเจ้าของมาหาไม่เจอเราสงสารมันนะ สุดจิบออกมาพอยิบออกมานะตะโกนมาทั้งแต่ห้องน้ำเลยใครทำก็อะไรหายบ้างแล้วไปสั่งยามไหมถ้าใครมาทำหน้าเลือกลักแถวนี้ใไปบอกนะเที่ยวประกาศหาเจ้าของอยู่ตั้งนานนเะนี่ยถ้าเราฝึกจิตฝึกใจนะศีลมันอัตโนมัตินะมันไม่คิดจะเอาของใครอะ่ะมันเป็นอัตโนมัตินะสมาธิมันก็ฝึกง่ายขึ้น ใครรู้สึกว่าสมาธิง่ายขึ้นบ้างมีไห ม, มง่ายมากเลยนะแต่ก่อนฝึกกันแทบล้มแทบตายไม่สงบนะเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วรู้สึกตัวว่สงบแนละ้วนะใครแยก้าแยากขันเป็นแล้วบ้างแยกได้เป็นกลาวๆพวกข้างหน้านี้ขยันยกนะถามไดยยกหมดเลยพวกข้างหลังนะึกก็ตาแปว๋แปวๆจะยกก็เกรงใจเรามีสติไหมนะ ศีลสมาธิปัญญาจะค่อยๆบริบูรณ์ขึ้นขาดสติอันเดียวนะศีล ส, สมาธิปัญญามไม่มีหรอกสติเนี่ยเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากคู่กับสัมปชัญญะรู้จักสัมปชัญญะไหมคนไทยไปแปลว่าความรู้ตัวความจริงรู้ผิดรู้ชอบหรอกไม่ใช่รู้ตัวอย่างอื่นนี่เป็นธรรมะที่ดีขาดสติสัมปชัญญะภาวนาไม่ได้หรอก สมบัติชัญนะมีสี่อย่างอันแรกเลยรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระเรื่องราวในโลกมีมากมายใช่ไหมแต่เรื่องราวที่มีสาระมีไม่มากในบรรดาเรื่องที่มีสาระบางเรื่องมีประโยชน์บางเรื่องไม่มีประโยชน์ในเรื่องที่มีประโยชน์บางเรื่องเท่านั้นที่เหมาะกับเราบางเรื่องไม่เหมาะกับเราอย่างพระธรรมแปดหมพันพระธรรมขาคารมีประโยชน์ไม่มี แต่ว่าบา ง, บ, างบทบางตอนเท่านั้นที่เหมาะกับเราที่สมควรกับเราเนี่ยเราต้องรู้จักเลือกคนไหนถนัดนะใช้อนาปนานสติรัสติเกิดบ่อยก็ใช้อนาปนานสติไม่ต้องเรียนธรรมะแป00นพระธรรมขันธนะ์คนไหนถนัดรู้อิริยาบทก็รู้อิริยาบทนะกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งไม่มากหรอกแต่พระพุทธเจ้าสอนไว่มากมายเพราะว่าจริตนิสัยของคนมีเยอะ ท่านเหมือนคลังของธรรมะนะแจกธรรมะได้เยอะแยะไปหมดเลยส่วนของเรารับของแจกใช่ไหมเมื่อเวลาเขาน้ำท่วมเวลาเขาอะไรเขามีของแจกเป็นรถโกดังใช่ไหมเขาให้เรามานิดเดียวแนละเท่าที่จําเป็นธรรมะที่จําเป็นสําหรับเราไม่มากหรอกนะไม่มา ก, อกเอาต่อไปคนจากเชียงรายเชิญได้ข่าวว่าพระาธาตุพังเหรอ พราตจอบกิติค่ะมันมันเองแล้วมันยอดเถือเราล้มไปยังไม่ไม่ล้มเจ้าค่ะกลับแล้วมาส ก, การเจ้าค่ะใจเต้นเจ้าค่ะอยากให้หยุดนะ <c oughs> <c oughs> หยู่ที่นี้ต้องปั๊มยมยมยมปฏิบัติมาหลายปีแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะให หลวงพ่อเมตตานะคะทุบกระทือบกิเลสหลวงพ่อวันอย่างนี้ถ้ากระทืบแล้วก็หนักมากเจ้าค่ะยอมเจ้าค <laughs> mm ่ะ hmm. ที่ภาวนาอยู่ดีขึ้นไหมล่ะก็ตอนแรกปฏิบัติในรูปแบบใช่ไหคะปฏิบัติแล้วแล้วก็ต่อมาก็ปฏิบัติแบบรู้สึกตัวแล้วก็หลวงพ่อเทียนนะคะในระหว่างที่ปฏิบัติหลวงพ่อเทียนมีรู้สึกตัวนี่ก็ไม่ได้ ไม่ได้นั่งสมาธินะใช่ไคะก็รู้สึกว่าทำไปทำมามันเหมือนเอ๊ะเราปฏิบัติอยู like> ่หร wow ือเปล่านะคะก็เลยมาคิดว่าตัวเองไม่มีสมาธิมันน้อยลงก็เลยช่วงสามเดือนที่ผ่านมาก็ทำในรูปแบบทีนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้มันติดอะไรอยู่แล้วก็จะทำยังไงต่อไปอีกรูปแบบก็ทำไปนะแต่เวลาทำเราไม่น้อมใจให้นิ่งให้สึบมาเลย ทำไปอย่างนั้นแหละทำแล้วคอยรู้ทันจิตไปแล้วก็พอจิตมันสงบจิตมันสว่างจิตมันสบายให้รู้ทันใจมันชอบเพื่อให้รู้ทันไปถ้ามันโล่งโล่งว่างๆออกไปข้างนอกนะอย่างใจเราโล่งว่างรู้สึกโปร่งโปงเบาๆสบายมีความสุขเนี้ยให้เรารู้ทันอีจิตหลงไปอยู่ในความโล่งความว่างไหมออกไปอยู่ข้างหน้าไหมถ้ามันไปอยู่กับความโล่งความว่างนะวันมันมีแต่ความสุข ไม่เคยเห็นขันเป็นทุกข์เลยอย่างนั้นไม่ดีค่อยน้อมกลับเข้ามาหาตัวเองนะ <Okay. S 1> เรียกว่าให้จิตมันเข้าฐานมัเข้าบ้านมันนะอย่าให้ปล่อยให้จิตมันกระจายกว้างๆออกไปข้างนอกจิตออกนอกไหมกว้างๆออกไปเปล่าดู ด, ดูออกไหมช่วงช่วงที่ทำสามเดือนข้างหลังที่ทําในรูปแบบมันรู้สึกว่าตัวเองก็เหมือนหนักแน่นขึ้นจ้ะเออุอขนาดนี้จิตถึงฐานไหม หรือจิตโล่งว่างออกข้างนอกเอางี้ขณะเนี้ยจิตเป็นธรรมชาติเหมือนปกติไหมก็รู้สึกว่าเข้ามาข้างในใช่ไหมเพ่งอยู่ไหมเพ่งรู้สึกเพ่งอยู่นะให้รู้ทันนะเพ่งแล้วใจมันนิ่งนิ่งว่างๆก็รู้ทันมันนะเจ้าค่ะให้รู้ทันมันเราเข้าไปแทรกแซงมันเราเข้าไปเพ่งไปแทรกแซงไปประคองให้มันนิ่งๆิ่ง ให้เรารู้ทันจะไปแทรกแซงปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติตามรู้มันเรื่อยๆไปนะปล่อยได้ไหมปล่อยได้ไหมนี่ขอขอหลวงพ่อช่วยชี้ชี้แนสภาวะตอนนี้เรายังรู้สึกว่าตัวเองก็ก็ไม่ได้กดเท่าไหร่อะไรนี้เอางี้จิตขนาดนี้กับจิตตอนเด็กๆเหมือนกันไหมไม่เหมือนจเจ้าสาวเออไปเป็นเด็กนะจิตเด็กๆไม่มีมายา นะจิตของเราพอโตขึ้นมาเราเป็นนักปฏิบัติมันสร้างมายาของนักปฏิบัติขึ้นมาเราเข้าไปแทรกแซงเขานะย้อนเลิกถึงจิตตอนเด็กๆนะั่นแหละจิตตัวจริงละ่ะปล่อยให้มันทํางานเราต่างกับเด็กนิดเดียวคือเด็กนะัจิตมันทํางานอย่างอิสระแต่มันไม่เคยมีสติรู้ทันเราปล่อยให้จิตทํางานเหมือนจิตเด็กๆนะั่นแหละนะกระทบอารมณ์แล้วมันดีใจบ้างเสียใจบ้างสุขบ้างทุกบ้างเราต่างกับเด็กตอนที่เรามีสติตามรู้เรื่อยๆไป อย่าไปประคองให้นิ่งนะค่ะแล้วแล้วโยมต้องนั่งสมาธนินั่งนั่งแต่ว่านั่งก็นั่งคอยรู้ทันจิตไปอย่าประคองเจ้าค่ะแล้วแล้วต่อไปโยมมีอะไรต้องทําอะไรต่อไปเจ้าคะก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะอย่าไปประคองไว้ดูเขาทํางานเอย่าไปรักษาเขาไว้ อ่ะคนจังหวัดอะไรนะยโสธรหรือมุกดาหารอ่ะใกล้กันใกล้กันไม่เป็นไรอ่ะมุกดาหารยกมือยกมืออยู่อำเภออะไรอยู่อำเภออะไรอยู่ดอนตาลดอนตานดอนตานตาไม่รู้จักแฮมม <c oughs> <c oughs> าว่าไปก็ที่มานี่ก็คือมาฟัง เทพของหลวงพ่อก็คือไม่ตื่นเต้นเรลาจะถามอะไรก็คือยังแบบถ้าจะเปรียบเทียบการภาวนาก็คือยังเป็นเด็กทารกไปเลยยังแยังไม่รู้เรื่องหลวงพ่อกำลังสอนอยู่แป๊บๆนี่นะให้เป็นเด็กนะเมื่อเราปล่อยให้จิตมันทํางานแล้วเรามีสติตามรู้มันเพียงแต่ว่าไม่ให้มันผิดศีลห้าเท่านั้นแหละรักษาศีลไว้ก่อน ทุกวันมาฝึกในรูปแบบจะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้แต่ไม่ได้พุโทโธไม่ได้หายใจเพื่อให้จิตนิ่งเราพุโทโธเพื่อจะรู้ทันจิตหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตเช่นพุโทโธพุโทโธจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันพุโทโธพุโทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทันรู้องนี้บ่อยนะค่ะมันจะเป็นลักษณะนั้นนั่นแหละนะรู้อย่างนั้น <c oughs> ต่อไปพอกิเลสอะไรแทรกเข้ามาในจิตนิดเดียวสติจะเห็นเองนะจะเห็นได้เองเห็นแล้วอย่าไปว่ามัน ดูมาเฉยๆถึงวันหนึ่งก็เห็นเลยมาได้เองก็ไปได้ทุกอย่างเกิดแล้วดับจะเห็นอย่างนี้นะฝึกรูปไปอย่างนี้เรื่อยๆถึงเวลาก็ทำในรูปแบบไปก็ไม่ค่อยมีคำถามดีแล้วนักปฏิบัติไม่มีคำถามหรอก <c oughs> นักปฏิบัติมีแต่เรื่องปฏิบัตินะปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดทุกทีสังเกตไหม <c oughs> หลวงพ่อเคยหานะั่นทำไงจะถูกว่าทำอย่างนี้ดูดูจะดีนะผ่านไปช่วงหนึ่งสังเกตอีกไม่ใช่อีกละปฏิบัติไปอีกอย่างนี้น่าจะดีดูเหมือนดีนานๆหลายวันไม่ใช่อีกละปฏิบัติไปจนหมดปัญญาเลยหมดสติหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะทำอะไรก็ผิดหมดเลยใจนะท้อแท้ ไม่รู้จะภาวนาอย่างไงอีกต่อไปแล้วแต่มันไม่เลิกภาวนาเพราะการที่เราฝึกฝนตัวเองมานานทำให้สติมันทำงานอัตโนมัติสมาธิมันอัตโนมัติม่คอยรู้คอยดูของมันได้ทั้งวันไม่อยากรู้อยากดูแล้วเพราะไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้วแต่มันก็ดูนะเนี่ยภาวนาต้องภาวนาให้มันถึงขั้นอัตโนมัติไปให้หมดเลยแล้วก็หมดสติปัญญาที่จะดิ้นรนถ้ายังดิ้นรนได้อยู่นะใจยังไม่เหดแห้ง ใจยังเก่งอยู่กูยังเก่งอยู่ไปไม่รอดหรอกแต่ก็อาศัยความดิ้นรนนั่นแหละเหมือนการการเชี่ยวกล่ำตัวเองนะดิ้นรนเรียนรู้ไปเรื่อยเรียนรู้เรียนรู้ผิดตลอดเลยไม่มีเรียนถูกหรอกน้องก็ผิดนี่ก็ผิดทำมันน้องก็ผิดทำมันนี้ก็ผิ ด, ผดสุดท้ายมันปิ้งขึ้นมาไอตัวทําั่นแหละตัวพบตัวชาตินั่นแหละแต่ว่าไม่มีพบมีชาติไม่ทําอะไรเลยเกิดสติสมาธิปัญญาไหมไม่เกิดหรอก ศีลสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยเราอบรมกันอยู่ในภพทั้งสิ้นเลยไม่ให้เกิดนอกภพนะแต่ตอนเกิดอริยะมากมีนะมีศีลสมาธิปัญญาจต่เป็นโลกุตตระในขั้นที่เราเดินปัญญาอยู่เนี่ยอยู่ในภพทั้งนั้นเลยเพราะฉะั้นทำข้นมานะไม่ว่าทำอะไรก็ภพเท่านั้นนะแต่ไม่ทำลนะผิดมากกว่าทําก็ผิดไม่ทําผิดมากกว่าพูดเรา ฟังยากนะแต่ว่าพูดซื่อๆนะ้เนี่ยพูดซื่อๆแล้วไม่มีใครเขาสอนอย่างนี้หรอกสอนอย่างนี้เปลืองตัวที่สุดเลยเอาต่อไปใครมาไม่ไกลก็ได้ชวนใครจำเป็นขอจำเป็นนะวัดใจตัวเองจริงๆนะคำถามของเราเนี่ยจะบอกให้เพื่อนรู้ว่าจำเป็นหรือไม่ร43สามการทัศนการของพ่อค่ะก็คราที่แล้วผมี่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อว่า ตอนแรกก็ยังหลวงพ่อ3ปีแรกหลวงพ่อบอกให้ยอมรับความจริงก็งดูมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็หกปีแล้วส่งการบ้าหลวงพ่อหลวงบอกว่าให้ยอมรับความจริงด้วยหนูเห็นการยอมความจริงคือเห็นการเกิดอยู่ตั้งตั้ ง, ต, งตั้งอยู่ระดับไปด้วยสมาธิค่ะหลวงพ่อก็บอกว่าให้กลับไปดูด้วยปัญญาก็เพอเอิญเมษาปีนี้ค่ะไปฝึกการฝึกสมาธิฝึกช่วงมีเวลาย า, ยาวๆค่ะก็ไปฝึกทีนี้หนูเห็นการการเกิดของ ของสองสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่อะค่ะแล้วก็เห็นการดับไปของของสิ mm ่งสิ่งนั้นแล้วทีนี้ก็เห็นว่าเวลาเราจะคิดเรื่องไรเนะคะเวลาเราเห็นเรามองไปที่ผ้าสีขาวเนี่ยคะเรามองไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีสิ่งบางสิ่งเหมือนหมุนหมุนหมุนนะคะว่าไอ้สีขาวเนี่ยก็คือผีนะเพราะเราจําได้ว่าไอ้สีสีขาวนี่คือสัญญษณของผีตอนเด็กๆอะค่ะแล้วก็เห็นสีเหลืองปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองว่าสีเหลืองนี่คือของพระนะ หนูก็เข้าใจว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้ยอมรับความจริงคือการดูของดูธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูว่ามันมีมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปทีนี้หนูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกด้วยเห็นด้วยปัญญาหรือเปล่าคะเจ้าคะเห็นด้วยปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์นะเห็นสีเหลืองแล้วคิดว่านี่คือพระอันนี้คือสัญญาเห็นสีขาวแล้วคือผีทําไมไม่คิดถึงว่าแม่ชีปะ เห็นสีขาวว่าผีเอออันนี้คือสัญญานะถ้าปัญญาก็คือตามองเห็นสีขาวก็เห็นนะตามันมีตาอยู่มันก็ไปเห็นนะถ้าเห็นสีขาวแล้วใจไปคิดว่าผีเกิดกลัวขึ้นมารู้ว่ากลัวเห็นความกลัวเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอย่างนี้ถึงจะเดินปัญญาความกลัวไม่มีไม่มีมาก่อนใช่ไหมอยู่ๆก็มีขึ้นมานี่มันแสดงความไม่เที่ยงมีขึ้นม า, ารู้ทันมันหายไปนี่ก็แสดงความไม่เที่ยงนี่แหละเดินปัญญา ก็อเห็นอย่างที่หลวงพ่อสอนนะเจ้าคะแต่ว่าทีนี้ก็ถามหลวงพ่อทีทีว่าสิ่งที่หลวงพ่อให้การบ้านไปเนี่ยมันสามารถใช้การบ้านตัวนี้เดินไปถึงสุดทางได้ได้เลยใช่ไหมเจ้าคะได้บทเรียนของพระโสดานะอย่างปุถุชนจะเป็นพระโสดาเนี่ยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางบทเรียนของพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์นะพระสกทาคาพระอนาคา ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางบทเรียนที่จะขึ้นสู่ความเป็นพระอรหันต์ให้มีสติรู้จิตตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอันเดียวนี้แหละทาไปได้ตลอดสายเลย อีกข้อหนึ่งเจ้าพอดีถ้าสมมุติเราล้างสมาธิอยู่เนี้ยคะแล้วเรารู้สึกว่ามันมีพลังเหมือนพลังบางสิ่งบางอย่างเหมือนตัวเราจะขยายออกหรือหรือจะเกิดอะไรขึ้นเนี้ยคะหนูก็เห็นการเกิดการกลัวของเขาแล้วเข้าการดับไปแต่มันบางทีมันกลัวมากมันก็ไม่กล้าดูต่อเจ้าค่ะเลยจะกลัวสิดูไปไม่ตายหรอกไม่ระเบิดจริงหรอกเป็นอาการของสมาธิแต่ว่าพออาการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตเกิดความกลัวเรามีสติรู้ทันอย่างนี้ใช้ได้แล้ว เราจะเห็นเลยว่าจิตกต่เดิมไม่กลัวตอนนี้จะเกิดจิตที่กลัวะดูไปจิตที่กลัวก็ดับเกิดจิตที่ไม่กลัวแม้จิตจะเกิดดับอะไรเกิดดับก็ยังไม่เท่เท่าเห็นจิตเกิดดับนะของอื่นเกิดดับดูง่ายจะตายจิตเกิดดับดูยากนะเพราะพระุทธเจ้าบอกนจิตนะอาศัยอยู่ในกายกายเป็นครูหาเป็นถ้ำให้จิตอาศัยอยู่จิตนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืน เนี่ยคนศาสนาอื่นคนลัทธิอื่นเนี่ยเขาไม่เห็นหรอกเขาเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะสามารถปล่อยวางอย่างอื่นได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่สามารถปล่อยวางจิตได้เพราะยึดถือเนียวแน่นมากเลยแล้วจิตนั้นเกิดดับรวดเร็วจนมองไม่เห็นความเกิดดับคิดว่ามันเสถียรคงที่ตลอดนะนั้นการที่เราตามเาเห็นสีขาวใจกลัวรั่วกลัวตาเห็นสีเหลืองนะ ใจเป็นยังไงอะเห็นสีเหลืองว่าเห็นพระนึกถึงซองดีกาออใจหายออรู้ว่าใจหายออให้รู้เราที่จิตอีกอันจ้ะคะพอดีพวกหนูก็คือมาเรียนกับหลวงพ่อใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงเวลาว่างๆก็จะไปช่วยงานที่ที่การนะคะที่วัดิีกาทีนี้ก็ั้งก็ทำอย่างนี้ตั้ง3ปีกว่าคะ่ะเพื่อนๆรวมตัวประมาณ9คน ทีนี้ครั้งแรกไปเนี่ยก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปามุ่ท่านก็ยิ้มยิ้มไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็พวกเราก็ทํางานกันไปเรื่อยพอเอิญจะมีข่าว ต, ตรงนั้นช่วงหลวงพ่อดังๆนะคะก็ใครเขาพูดอะไรพวกเราก็ <c oughs> ก็นิ่งเพราะหลวงพ่อสอนว่าให้นิ่ง <c oughs> ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตอบโต้ก็นิ่งก็นิ่งไปเรื่อยแล้วพอเอิญอต้นปีที่ผ่านมาค่ะครูบาอาจารย์ท่านก็ชมกับพระว่าลูกศิษย์หลวงพ่อประโมุ่ใช้ได้นะภาวนากันดีๆทุกคนเลเจ้าคะ่ะก็อันนี้อันนี้เป็นคําชมที่เพลน ครูบาอาจารย์ชมอย่างนี้แทบทางนั้นแหละมชมถึงขนาดนี้นะมีบางคนไปช่วยกันทำหนังสือครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่อะอยู่ในพวกเรานี่เองได้ชมคําชมนะสะท้อนมาเข้าหูเราเข้าข้างซ้ายออกข้างขวาอะไรเงี้ยนะเข้าไปเข้ามาหลายทีนะบอกว่าลูกศิษย์หลวงพ่อประโมดนี่นะหลักแม่นภาวนานดีครูบาอาจารย์บอกนี้นะแล้วเป็นอย่างนี้มานานแล้วบางองค์ท่านบอกท่านเห็นหน้าท่านก็รู้แล้วว่าลูกศิษย์ใคร พูดอย่างนี้นะเงินพวกเรานี่แหละก็จะทําให้ครูบาอาจารย์ถูกด่าหรือไม่ถูกด่าบางคนนะภาวนาไม่เป็นเลยฟังเรานิดเดียวหรือได้ยินชื่อเรานะมีนะมีอยู่คนหนึ่งไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ถามไปเรียนมาจากไหนมันตกใจไม่เคยเรียนจากใครทั้งสิ้นเลยแต่ได้ยินชื่อหลวงพ่อประโมทมานานแล้ว <c oughs> เรียนจากหลวงพ่อประโมทครับท่านก็เลยตะลึงเลยท <c oughs> ่าจะไม่ใช่เรา <c oughs> ไปภานานะต้อสู้กิเลสของเราไม่ได้ไปสู้คนอื่นหลวงพ่อมีเรื่องมีราวคนโจมตีถ้าเป็นแทบตายลูกศิษย์เราต้องไม่ยุ่ง่ะลูกศิษย์เรามีหน้าที่ล้างกิเลสตัวเองไม่ใช่ไปล้างคนอื่นใครเขายังไงเรื่องของเขาเราต้องหยุดไม่ใช่เราโต้ไปโต้มานะศา ส, สนาเสียหายนะไม่ใช่หลวงพ่อเสียหาย อย่างยุโยงกันนะยุพระวัดโน้นวัดนี้อะไรขึ้นมาจะให้พระแตกกันจะทำสังฆเภทเหรอนะเกลียดพระองค์เดียวนี้นะจะทำสังฆเภทคุ้มกันหรือเปล่านะงั้นพวกเรานิ่งถูกต้องแล้วหน้าที่ของเราพัฒนาตัวเองไม่ใช่ไปยุ่งคนอื่นเอาต่อไปเบอร์19ผมเคยส่งกันบ้างหลวงพ่อครัง้งก่อนหลวงพ่อว่าผมยังติดเพ่งอยู่มากครับตอนนี้ เบาลงไหมครับแล้วว่าเบาไหมเบาอยู่ครับแต่จิตมันเหมือนกับมันออกไปอยู่ข้างนอกมันเว่างๆนั่นให้รู้ทันนั่นแหละนะดีที่เห็นก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ที่หลวงพ่อเทศเมื่อกี้แล้วครับก็เลยเลยดูได้น่ารู้ทันนั่นแหละดีแล้วแล้วตอนที่ผมทําสมาธิมันเป็นสมาธิแบบแบบซึมๆนะครับอเราก็อย่าเอาสิแล้วทํำยังไงถึงจะไม่ซึมไม่ซึมเนี่ยน่าเกิดจากโลภก่อนอยากสงบ เราแยกไม่ออกว่าสงบกับซึมมันต่างกันนะคิดว่าสงบกับซึมเป็นดันเดียวกันเราก็น้อมใจให้ซึมนั่งสมาธินั่งรู้สึกตัวอย่าทิ้งสติสติสําคัญที่สุดเลยงั้นถ้านั่งหายใจก็หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็คอยรู้ทันจิตไว้หายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันอย่างนี้ใช้ได้ถ้าหายใจแล้วก็น้อมเนี่ยน้อมเนี้ยะ อย่างนั้นไม่เอาขาสติแล้วตอนนี้ผมมีอะไรต้องเพิ่มเติมดีดีที่รู้ทันนะว่าใจมันกระจายกว้างออกไปถ้าใจกระจายกว้างๆเนี่ยไม่เดินปัญญาจะมีแต่ความสุขแล้วเราทำยังไงให้มันกลับเข้ามารู้ทันว่ามันออกแรู้ทันว่ามันออกนอกมันจะเข้ามาเองแต่บางคนถ้ารู้ทันว่าออกนอกแล้วยังไม่ยอมมาสักีนะช่วยมันนิดหน่อยย้อนมาดูกายนะหรือใช้วิธีนี้ก็ได้ หลวงพ่เคยลองหลายคนก็ได้ผลอยู่แต่บางคนก็ อ, อาจจะไม่ได้ผลหายใจเข้ามาหายใจสบายๆนะไม่ต้องหายใจรุนแรงนะแล้วก็ทําความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนกับตามให้จิตจับลมหายใจนะตามกลับเข้ามาในร่างกายอันนี้เป็นอุบายนะไม่ใช่หลักของการปฏิบัตินะอุบายเป็นเรื่องที่ใช้ได้เฉพาะคนลองหายใจหรือหายใจแล้วทําความรู้สึกตัวกลับเข้ามานะจิตตอนนี้ก็ตะกี้ต่างกันไหม ต่างๆอยู่ครับฮะต่างเออต่างนิดนึงครับนั่นแหละต่างกันนะมันเริ่มกลับเข้ามาแล้วสิครับเรืนะ่องไงครับแค่นี้นะครับเออนะอย่าให้ใจออกนอกนะครั บ, รบอยแต่เกียรตอนแรกนะั้นจิตออกนอกครับออกไปอยู่ในความนิ่งความว่างไม่ดีต้องให้จิตอ ย, อย่าเกินกายออกไปรู้สึกอยู่ในตัวเรานี่แหละเบอร์สองอา้าวคนนี้จําเป็นยังไงว่ามา หลวงพ่อเจ้าคะ่ะตอนเวลานั่งสมาธิเจ้าคะ่ะเห็นเวลาเมื่อก่อนช่วงที่แล้วเนี่ยมันจะออกข้างนอกแล้วก็ฝึกใหม่ให้มันดูลมหายใจอะค่ะแล้วทีนี้มันตั้งนิ่งๆอยู่ตรงไปลามตรงฐานตรงเนี้ยคะ่ะแล้วมันนิ่งเหมือนไม่รู้อะไรอะคะ่ะ อ, อให้รู้ว่ามันนิ่งอยู่พอมันถอยขึ้นมานะก็มาคอยรู้สึกในร่างกายในจิตใจต่อเวลาที่จิตลงพักอย่าไปฝืนให้มันพักไปให้เต็มที่พอมันขึ้นมานะมีสติเลยรู้ลงในกายในใจเลย อย่างนั้นดีพวกเราบางทีเอาใจยากนะอย่างเราอยากทำสมาธิให้จิตสงบบ้างจิตไม่ยอมสงบเลยเพราะจิตเริ่มสงบเรากลัวนะบางคนพอจิตจะสงบเดี๋ยวขาดใจตายมันหยุดหายใจไม่ตายหรอกเมอร์แปบห้า เการนื้อวัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีช่วงก่อนที่หลวงพ่อให้ไปดูจิตตัวเองอะค่ะก็เห็นอาการมันก็เยอะอะค่ะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมามันบอกว่าพอไปทํางานหรืออ่านหนังสือเนี่ยจะเหมือนคนมีแรงเยอะไม่หลับไม่นอนเนี้ยค่ะแล้วก็พอมาดูดูจิตปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันเอาแต่ ง, ง่วงอะสองสาวันวันนี้มันบอกว่านั่งสมาธิปุ๊บมันก็ มันก็จะหลับอย่างเดียวแล้วพอหลับมันก็จะหลับแบบเหมือนคนหลับลึกไปเลยอะไม่เป็นไรนะมันเป็นทางผ่านช่วงหนึ่งเป็นอย่างนั้นแหละปกติจิตที่เดินปัญญามาช่วงหนึ่งนะมันเกิดนิพพิทามันทิ้งหมดเลยนะนทิ้งหมดเลย <ạ. S 2> เหมือนคนหลับไม่รู้เนื่อรู้ตัวเลยก็มีนะอย่า ก, กลัวมันก็ขึ้นมาแล้วดูใหมแแ่แล้วทีนี้มันจะแบบเราตกลงเรา สมาธิอ่อนหรือว่าสติอ่อนกันแน่คะไม่ตรงที่นั่งแล้วมันเหมือนหลับไปเลยใช่ไหม<ฮ>อันนั้นไม่ใช่สติอ่อนไม่ใช่สมาธิอ่อนนะเป็นผลที่เราภาวนามาแล้ว<ฮ>จิตมีแรงนะจิตมีกำลังแทบไม่หลับไม่นอนเลยคนะ่ะใช่นะสติสมาธิมันแรงนะ<ฮ>ไม่เป็นไรดีแต่พอมานั่งภาวนาเหมือนหลับในหลับลึก แบบปวดที่มปวตา่ายังไม่รู้เรื่องนะเป็นปกติไม่ต้องกลัวเป็นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วต้องไปทําอะไรเพิ่มพอออกมาแล้วก็หลุดจากตัวนั้นมาก็ดูกายดูใจต่อนะให้มันพักให้เต็มที่ของมัน <c oughs> คือมันมันสามารถหลับได้ทั้งวันเลยค่ะพอตื่นขึ้นมาดูดูปุ๊บมันสามารถหลับต่อไปเดีไม่เป็นไรหนะลวงพ่อเขาเคยเป็นแล้วไปถามหลวงปู่สิมไปถามท่าน ประมาณห้ากรกฏาคมสองหถามท่านว่าอาการอย่างนี้แหละขนาดเดินจงกรมนะก็หลับนั่งขัดสมาธิก็หลับทำยังไงก็หลับแก้ไม่ตกเป็นเดือนไปถามท่านไล้เราต้องทำยังไงท่านบอกว่าผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรสงสัยเลยไม่ต้องสงสยัยเราทำไปเถอะ <58. S 2> เจ้านมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ8เดือนที่แล้วโยมมาข อ, อการบ้านว่าจะเจริญสติยังไงยามที่เราป่ยวยเรื้อรังนะคะแล้วก็หลวงพ่อสอนโยมให้ไปดูเวทนากับดูจิตเอาไว้แล้วก็หลวงพ่อสอนว่าให้ดูกายมันเจ็บเพราะว่าเวทนามันจะเยอะจะเป็นเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อเส้นประสาทเนี่ยค่ะตอนแรกๆโยมก็งงแต่ว่าก็ก็ทําไปก่อน ดูกายมันทํางานดูกายมันเดินดูกายอะไรจนสองสมเดือนที่แล้วมันเริ่มเริ่มจะเข้าใจที่หลวงพ่อพูดอเหมือนกับว่ามันเริ่มแยกได้ว่าอไอ้ก้อนๆนี้ยกับเวทนามันเป็นส่วนหนึ่งใจมันออกมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วมันก็มีความผ่องใสอยู่อมันมันเจ็บเหมือนเดิมหลวงพ่อแต่ว่ามันไม่ทุรนทุรายเหมือนเดิมอืมันเจ็บเท่กายนะแต่จิตไม่เจ็บแล้วใช่ค่ะมันมันแยกจากกัน แต่ทีนี้พอพอดีใจมันก็จะเบาๆอยู่สองสามวันคือกายนิ่งหนักใจนี่เบาทีนี้มันก็ดีใจอยู่สอสามวันมันเหมือนเลงอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็ซุดลงไปอีก<ม>พอซุดไปอีกใจก็เสียก็เลยจะรายงานหลวงพ่อว่าที่ผ่านมาเหมือ น, นกับว่าเราเ ร, เ, รเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มแยกได้แล้วก็ประมาณ 20% หรือ10ที่เข้าใจแล้วจิตเป็นกุศลแต่ว่าที่เหลือ 80% ก็ยังทรมานกับเวทนาแล้วก็ เ, เหมือนกับ ถ้าเราดิ้นรนหาแนวทางารักษาเมื่อไหร่เนี่ยจิตจะกําลังตกพอจิตจะกําลังตกเนี่ยเวทนากับคือทุกอย่างจะรวมเป็นก้อนแล้วก็จะทรมานมากใช่จะรวมเป็นก้อนนั้นทุกแล้วก็ฝึกไปเรื่อยแต่ว่าอย่าอยากให้มันแยกเคล็ดรับอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> ถ้าอยากให้แยกนะยิ่งรวมเป็นก้อนเลย <c oughs> หาทางจะให้มันแยกนะยิ่ง <c oughs> จับกันแน่นกว่าเก่าอีก <c oughs> นะ <c oughs> ด, ดูเล่นๆเลยดูเล่นๆแล้วมันแยกเอง <c oughs> ค่ฝึกหนะ้าต่อไปมันต่างคนต่างอยู่เลยร่างกายก็ส่วนร่างกายนะก็เดินไปหาหมอรักษาอย่างว่าอย่างนี้รักษาไปเวทนาก็ส่วนเวทนานะจิตก็ส่วนจิตไม่เกี่ยวกันพระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าคนทั่วๆไปนะเวลามีความทุกข์ความทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทุกข์ทางใจซ้อนเข้าไปอีกเหมือนถูกยิงด้วยลูกธนูลูกที่หนึ่งแล้วต้องถูกซ้ําด้วยลูกที่สอง ของเราชาวพุทธผู้ภาวนาไปเนี่ยถูกยิงธนูใส่แต่ร่างกายน ะ, ะแต่ลูกที่สองไม่มีจิตนั้นผ่องใสมีความสุขสว่างอยู่งั้นถึงเวลาจะตายไม่เสียดายอะไรตายก้อนทุกข์มันจะตายไปเสียดายไปทำไมไหมจิตมันเบิกบานแจ่มใสสว่างมีความสุขนะตายด้วยสติด้วยปัญญาถ้าไม่นิพพานก็ไปสุปติเพราะฉะนั้นจัดเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ทํามาทํามาถูกแล้วละ แต่ามาถูกแล้วนะแต่ว่าอย่าอยากดีอยา<ช>่าอยากให้มันเป็นถ้าอยากให้มันเป็นแล้วมันจะไม่เป็นอีกอีกหนึ่งคำถามก็คือว่าบางครั้งเวลาไปหาหมอแต่ละท่านเนี่ยก็ได้ได้ชื่อว่าเทพเทพของเมืองไทยแต่ว่าก็มีแนวทางรักษาต่างกันไปบางทีโยมเลือกเชื่อใครคนหนึ่งแต่จิตมันก็ยังกังวลว่าถ้าเราไม่เชื่อหมอเบอร์หนึ่งเราจะเป็นอะไรไม่ว่ามันยังมีความกังวลลึกๆรู้ว่ากังวลไปปัญหานี้หลวงพ่อก็เจอค หลวงพ่อม <mm ีคราวหนึ่งเป็นงูสวัสดนะะหมอมาเยอะเลยหมอคนนี้บอกให้รักษาอย่างนี้คนนี้รักษาอย่างนี้คนนี้ให้ใช้ยาตัวนี้คนนึงบอกยาตัวน้นไม่ได้ต้องตัวนี้เสร็จแล้วหมอตกลงกันไม่ได้หมอขนยาทั้งหลายมากรองหน้าหลวงพ่อหลวงพ่ออยากใช้ตัวไหนก็ใช้เพราะฉะนั้นก็วางใจก็รักษาเท่าที่รักษาไปนะรักษาไปขอบคุณค่ะหลวงพ่อแต่ตัวสําคัญนะเรารักษาจิตไว้ สังเกตไหมตอนที่พัดอยู่รู้สึกตัวหรือเผลอใครพัดไปเผลอไปบ้างยกมือสิโอเกือบทั้งหมดที่พัดเนาะบางคนไม่ยกมือยกพัดเลยร้อยสิบเจ็ดกรรมพราจารย์ครับออพระอาจารย์ครับตอนนี้ปฏิบัติไปครับเรามองกลับมาที่ตัวครับมันไม่รู้สึกว่ามีตัวเองเออดีเราก็รู้สึกว่า มันแยกกันอยู่อพอทํางานมันจิตมันก็จะไปหลงกับงานแต่ว่ามันจะเกิดสติโดยอัตโนมัตินะครับขึ้นมานั่นแหละเปรียบเทนั้นแหละครับแล้วพอพอออกจากงานเนี่ยจิตมันจะน้อมเข้าสู่สู่ความสงบครับแล้วจะสงบตรงนี้มองกลับมาที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามีอัตตาตัวตนอะไรดีนะนั่นมันทําสมาธิก่อนนะแล้วมันก็ย้อนกลับมาเจริญปัญญาถ้าเห็นไม่มีตัวมีตนก็ถูกแล้วล่ะครับ เสร็จแล้วก็ผมลองใช้จิตที่สงบนี่ครับนั่งสมาธิยังมีสตินะครับอืก็รู้สึกว่ามันชัดเจนมากขึ้นมันมีสติมากขึ้นเหมือนกับมันได้พักนะครับใช่ดีเวลาที่จิตทรงสมาธินะั้นมันจะขยายความรับรู้ได้ชัดเจนขึ้นนะใช่ครับหลวงพ่ออย่างเราพิจารณาธรรมะอะไรเนี่ยจิตทรงสมาธิอยู่จิตมันพิจารณาธรร ม, มนะนั้นมันรู้สึกลึกซึ้งนะใช่ครับหลวงพ่อแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วไปทวนนึกถึงนะไม่ลึกแล้บางทีนั่งอ่านหนังสือของของหลวงพ่อ ท, ที่ที่มีแจกนะครับ นังอ่านไปก็เข้าใจความหมายมันมันลึกซึ้งมากเลยครับเหมือนมันเราก็ปฏิบัติผ่านมาแล้วออืครับที่หลวงพ่อครับแล้วตอนนี้ผมผมเดินทางของโสดาบันหรือยังครับือผมเดินทางของโสดาบันไหมครับเรารักษาศี่ห้าไหมก็ด่างพร้อยครับือมีด่างพร้อยครับเออด่างพร้อยก็ยังเดินทางน้อยอยู่เรารักษาศี่ห้าไหมเราเคารพรักแน่นแฟนในพระรัตนตรัยไหม รหรือเรายังมีสิ่งอื่นเป็นสาระเราเนี่ยนะ mm hmm. เราสำรวจตัวมันมีธรรมะอยู่อันหนึ่งชื่อโสดาปฏิยังคะองค์ธรรมของพระโสดาบันเะชื่อกับเชื่อผลของกรรมเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอะไรนะครับแล้วก็สำรวจดูของเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงตรงเนี้ย จิตตอนนี้เพิ่มขึ้นนะครับหลวงพ่อเขมีเข ม, มีสติอยู่ตอนนี้เขาเวลาน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าอรัเราก็รู้สึกปื้มปิติคือเกิดสมาธิทุกครั้งไปครับดีดีนะะสมาธิที่หาง่ายใช่ครับหลวงพ่อมันสมาธิมันทําได้ง่ายครับง่ายหมูจะตายเนาะครับหลวงพ่อแต่ก่อนจะง่ายยากมาแล้ว <c oughs> ยากมากครับหลวงพ่อ <c oughs> ถ้าเราได้หลักนะง่ายครับพระพุทธเจ้านะท่านย่อยธรรมะซึ่งแสนจะลึกซึ้งนะออกมาให้เป็นเรื่องง่ายๆ ให้พอที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้ครับนะนเราเพียงแต่ทำตามที่ท่านบอกแล้วจะ่เห็นผลด้วยตัวเองในเวลาไม่มากเกินไปหรอกหลวงพ่อครับแล้วผมทำหลวงพ่อมีคำชี้แนะอะไรต่อไหมครับทำาะอีกสินะแล้วจิตออกนอกให้รู้ทันครับถ้าจิตโลง่ลงๆว่างๆหรือว่างออกนอกให้รู้เอาครับหลวงพอ่อนะอย่าไปค้างอยู่ข้างนอก35ว่างไง ดีขึ้นไห ม, มเห็นโลกห่างออกไปบ้างไหมบางครั้งก็เห็นค่ะแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งจิตเขาบอกขึ้นมาเองว่ยายกไม้สูงหน่อยค่ะมีอยู่วันหนึ่งจิตเขาบอกขึ้นมาเองว่าสุขกับทุกขมีค่าเท่ากันค่ะแต่แต่โยมไม่ทราบว่าโ ย, ยมรู้ด้วยด้วยความจำที่ท่องมาจากหนังสือหรือว่าจิตเขารู้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นไรนะไม่สำคัญเท่าเทียมกันนะจะรู้จากอะไรก็ตาม แต่ถ้ารู้แล้วจิตใจเราเป็นยังไงเรารู้ทันลงไปอีกทีหนึง่งถ้ารู้แล้วเราดีใจว่าอู้ยจิตถ่ายทอดธรรมะแล้วภูมิใจรู้ว่าภูมิใจรู้แล้วเกิดสงสัยว่าไอ้ของจริงหรือปลอมรู้ว่าสงสัยนะรู้เราก็อีกทีจิตมันสอนธรรมะได้ปกติหลวงพ่อคะแล้วเรื่องแยกธาดแยกขันนะคะอยมยมเข้าใจแต่ว่ารู้สึ ก, กจิตเขาเขาไม่รับอะคะ่ะเขาเขายังทําไม่เป็นคะ่ะ ตอนเนี้ยสังเกตไหมกายกับจิตเป็นคนละอันกันนั่นแหละมันแยกกันนะรู้สึกไหมความสุขความทุกข์กับร่างกายก็คนละอันใ ช, ใช่ไหมนั่นมันแยกนะไม่ใช่ไม่แยกมันแยกอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเกิดมานานแล้วจนโยมไม่ทราบว่ามันเกิดมาแล้วมันเป็นความเคยชินใช่เป็นไปได้ขอบพระคุณค่ะแต่โยมอย่ารักษาจิตให้นิ่งนะเนี่ย ที่อื่นเขบอกทําจิตให้นิ่งนะหลวงพ่อก็บอกไอ้คนที่ฟุ้งซ่านนะทําให้นิ่งนะแต่นิ่งแล้วอย่านิ่งนะพูดวอยากๆเนาะแต่ว่าซื่อๆนะพูดซื่อๆเลยละเบิกเก้าิบมนัสการ์คะ่ะพระอาจารย์ถวายการบ้านหนึ่งปีอะคะ่ะเออว่ามาสรุปหนึ่งปีที่ผ่านมาก็มันทรมานน้อยลงกว่าปีที่แล้ว ปีปีที่แล้วมันทรมานมากกว่าปีนี้ปีนี้มันน้อยลงไปแล้วก็คืออ่านหนังสือธรรมะแต่ว่าเอาที่ตัวเองปฏิบัติแล้วตัวเองเข้าใจดีกว่าว่าเขาจะเพียงแต่ว่าอ่าใจตัวจิตอะค่ะเขาถ้าเขาอยู่นิ่งๆเขาก็จะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาชอบออกไปออกไปแล้วก็ไปเจอสภาวะพอออกไปก็ไปเจอนูน่นนี่แล้วเขาก็ทุก มันก็เป็นอยู่แค่นี้แต่เราก็ไม่สามารถทําอะไรกับเขาได้ทําไม่ได้นะอยา่าไปห้ามนะทําไม่ได้ห้ามออก็ก็ได้แต่ดูเพราะว่าเคยทําแล้วมันทําไม่ได้ไม่ใช่ไม่ทานะคะทําแล้วเราทําไม่ได้แล้วมันก็มันก็เลยได้แต่ดูได้แต่รู้แต่ว่าลงณนะปัจจุบันทําได้แค่นี้นะ ค, ะค่ะแค่นั้นแหละค่ะคือหลวงปู่ดุลสอนนะจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ท่านสอนอย่างนี้จริงแต่ท่านไม่ได้บอกว่าอย่าไปส่งขี้ออกนอกนะ ท่านจะสอนต่ออยู่ธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก<ช>แต่พอส่งออกนอกแล้วไปกระทบอารมณ์แล้วก็เพิ่มบันไหวถึงจะเป็นทุกข<ช>นะ์พระอริยะเจ้าหมายถึงพระอรหันมีจิตไม่ออกนอกอันนั้นหมายถึงพระอรหันนะจิตอย่างพวกเรายัางไงก็ออกนอกออกนอกแล้วกระทบอารมณ์ก็กรเพิ่มกระเพิ่มแล้วก็ทุกข์ห้ามไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็ถ้าจิตเขาจะดีของเขาถึงมันว่า ปัจจุบันเราอยู่แล้วก็มันมีกิเลสอะไรเย้ายวนเราอยู่เยอะแยะแต่พอตอนที่เราปฏิบัตินั่นคือถ้าจิตเขาดีเขาก็จะดีของเขาเองถึงแม้นว่าในสภาวะที่เราไม่มีอะไรเย้ายวนเลยแต่จิตไม่ดีมันก็ไม่ดีของมันเองคือมันไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เราสั่งไม่ได้นะแต่เรามีหน้าที่ดูบ่อยๆะนะบางคนปัญญาล้าหน้าเห็นว่าจิตนี่เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้งั้นเลิกดูเลยไม่ต้องดูมันงั้นกิเลสลากเอาไปหมดเรามีหน้าที่รู้บ่อยๆไป รู้จนกระทั้งทั้งที่รู้ว่าทําอะไรไม่ได้ก็รู้วมันไปเรื่อยรู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่ามันไม่อยู่ในอนานาจของเราจริงหรอกให้ใจมันยอมรับไม่ใช่ให้เรายอมรับเรายอมรับง่ายแต่ใจไม่ยอมค่ะคือไอ้ที่แบบว่าจิตเป็นอ น, นัตตาเนี่ยบางครั้งก็รู้บ้างแต่ว่าที่เห็นชัดๆคือมันเป็นทุกข์จมากกว่าค่ะได้ดูเห็นเป็นทุกข์ก็ใช้ได้นะแต่อย่าไปเกลียดมันนะไม่ได้เกลียดค่ะเมือ่อก่อนเกลียด แต่ตอนนอยาให้ <มะ S 2> โทสะแทรกตอนนี้ก็ไม่ค่อยเกลียดแต่อก็ไม่ร้อเซบางครั้งก็เกลียดเหมือนกันนะคะกให้รู้ทันแต่ก็มีอยู่คร้างเนอค่ะไม่น่าจะว่าอันนั้นคือสภาวะจิตที่เป็นกลางหรือเปล่าก็คือว่ามันเห็นทุกๆอย่างมันมีอยู่ทั้งที่ดีและไม่ดีส่วนใหญ่มันไม่ดีแต่แตเราก็เฉยๆกับมันเฉยๆต้องดูอย่างนี้ถ้าเฉยๆแล้วใจทื่อๆแห้งแล้งเนี่ยเฉยเพราะการเพ่งไว้ถ้าเฉยแล้วจิตรู้ตื่นเบิกบานอยู่นะ เป็นการลองแล้ว แ, แต่ว่ามันครั้งเดียวเองอะพระอาจารย์เคยเห็นแค่ถ้าอยากถ้าอยากเราจะไม่เกิดอีกพระอาจารย์คะ่ะมีอยู่ค้างอะคะ่ะมองเห็นแมวกําลังกินน้ําอยู่แล้วอยู่ๆก็จิตก็รู้สึกขึ้นมาเองว่าแม้นแต่ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยก็เป็นการเฟกเป็นการที่หลอกลวงเป็นไรนะคือหนูมองแมวหนูไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติธรรมเลยนะคะออหนูแค่มองแมวเขากินน้ําแต่อยู่จิตมันก็ ขึ้นมาบอกว่าแม้นที่เรากําลังปฏิบัติที่เราปฏิบัติทำอยู่ที่เราปฏิบัติที่จะเรียนรู้ไม่อยากบอกว่าปฏิบัตินะคะคือเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นของจิตอยู่เนี่ยมันก็เป็นการที่หลอกลวงมันไม่ใช่ของจริงต้องอาศัยมันนะไม่ปัญญามันล้าหน้าไปไม่งั้นกลายเป็นลัทธิที่ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุทั้งสิ้นไม่ใช่อยู่ๆก็ไม่มีเหตุนะนั่นเราต้องทําเหตุให้สมบูรณ์ก่อน ยังปัญญามันจะล้าไปกลายเป็นว่าไม่ต้องทําอะไรเลยลัทธิไม่ต้องทําอะไรเลยมีนะเป็นมิจฉาทิฏฐิพวกหนึง่งพระอาจารย์หนูขี้เกียจลงกว่าเดิมอ่ะขี้เกียจลงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วรู้สึกยังขยันกว่านี้ปีนี้ขี้เกียจลงเยอะก็อย่าขี้เกียจซืขยันดูอย่าให้ปัญญามันล้าหน้าไปนะมันตัดสินมันสรุปเร็วไป ดูบ่อยๆอดทนดูมันขี้เกียจเพราะว่าปัญญามันสรุปแล้วอันี้ก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่เรานะมันอย่างงี่ไม่อยากดูครับเป็นแบบนั้นเออนะเนี่ยปัญญามันล้มหน้าไปอย่าเพิ่งสรุปที่ถึงม้มันล้มหน้าไปแบบนี้สิ่งที่ควรจะทําก็คือต้องปฏิบัติต่อไปใช่ไหะปฏิบัติไม่เลิกนะให้เป็นกิจวัตรประจําวันใช่ไหมครับใช่นั่นคือต้องบังคับถึงแม้ตัวเองจะไม่ชอบใช่ขี้เกียจก็ปฏิบัติขยันก็ปฏิบัติ อาจารย์พระอาจารย์นิดนึงคือตอนนี้เหมือนพอมเมื่อก่อนเนี่ยจะแบบเหมือนอยากปฏิบัติแต่ตอนนี้จะมีความึกว่าไม่อยากทำไม่อยากทาก็ต้องบังคับตัวเองให้ทำใ ช, ใช่ไหมครใช่ให้รู้มันไปหัดรู้ตามรู้ตามดูไม่เลิกหรอกส่งไมล์มาข้างหน้าส่งไมล์ม า, มาส่งตรงๆขึ้นมาเรื่อยๆอาคุณแหละที่ใส่แว่นตาส่งกันบ้านผู้ใช้ข้างหลังข้างหลัง ครับกับนมัสกาพระอาจารย์ครับก็ปฏิบัติภาวนาตอนก่อนก่อนนอนนะก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งภาวนาครับวันนี้ก็ยังไม่ยังไม่คืบหน้าซะเท่าไหร่ครับก็คุณเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไหมเปลี่ยนครั บ, รบใจตอนนี้กับแต่ก่อนต่างกันไหมต่างกันครับะดีแล้วนะไปทําอีกนะครับก็จะพยายามทําเรื่อยๆครับอาจารย์ดีเพราะว่า นึกถึงแต่พระราตรานไทยปิธีพึงครับน่าต้องอย่างนั้นดคีครับก็พบเคยทำอีกนะทำถูกแล้วอาชัยกลับบ้าน